สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99เอาละครับเราติดต่อกับสายของคุณคิงได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่8ในค่ำคืนวันนี้กันครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพิเดานะฮะเสียงยังคงแหบมีเสน่ห์เหมือนเดิม เนี่ยฮะพี่แจ๊ได้ยินผมชัดใช่ไหมครับ uh, ตอนเนี้ยชัดเจนเสียงเสียงเสียงเสียงมันไม่กล้องเหมือนกับทุกครั้งครับอ<ะ>่าเพราะว่ามันอยู่ในป่าในดงครับ <Br other S 1> ไปทําอะไรในป่าก็ <practically> ไปเตรียมเรื่องที่จะซ่อมกุฏิที่สองที่ผมทําเป็นโครงไปแล้วก็ครับเอจะเอาเข้าไปติดทนีนี้พระท่านเนี่ยผมผมขอรบกวนประการฝักพันตรงนี้นะครับคือพระท่านจะให้ผมตัด อุติอันนั้นแหะที่เราทำไปแล้วพังอ่ะให้เอาขึ้นไปตั้งบนเขาครับคือท่านบอกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปซ่อมอะไรแนละ้เดี๋ยวร อ, อเอาไปออกพรรษาแล้วตัดเสร็จแล้วย้ายขึ้นไปบนเขาเลยทีเดียวถ้าซ่อมปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องตัดอืกอมก็เลย ท, ทําทีเดียว <โม S 2> ดีก<ด>ว่าใช่ครับฮ่าฮ่าได้ครับก็คือหมายถึงว่าตอนเนี้ยคืออาจจะเดี๋ยวจะมีหลายท่านบอกเอ๊ะทำไมคุนคิงยังไม่มีอะไรอัปเดตนี่คือมาอัปเดตแล้วว่าเดี๋ยวรอรทีเดียวเลยคือรอออกพรรษาใช่ไหมฮะ ถ้าเดี๋ยวผมทําตอนนี้ไปเนี่ยทําให้เสร็จได้ไหมได้แต่ถ้าเอาวันสาพระท่านขอขยายขึ้นบนเขาอีกก็ต้องตัดแยกออกเป็นยิ่งเตือนแล้วป็นประกอบข้างบนอีกเนี่ยเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทำสองรอบเพราะฉะนั้นรอทํา ร, รอบเดียวครั้งเดียวดีกว่าใช่ครับอ่าได้ได้ไ ด, ได้ถือว่ามาอัปเดตกันนะฮะคุณคิงมาอยากฟังอยากฟังเรื่องนี้นะครับเมื่อข่าวที่แล้วมาเล่าเรื่องผีลูกโซ่โอ้ยเออะไรไหมไม่เจอผมไม่เจอส่วนตัวไม่เจอนะ ผมผมผมจะต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ไปเล่าเพื่อชั้นจูงใครครับแล้วฟังให้เป็นเรื่องสนุกสนุกเฉยๆเรื่อผมเองเนี่ยผมเองผมก็ไม่คิดว่าผมไปเจอแต่มันแค่บังเอิญเป็นจังหวะที่เราได้ไปเจอจุดนั้นแล้วก็หลายๆคนเขาฟังเขาไม่เจอนะครับไม่ต้องคิดมากกันแต่ก็อีกหลายท่านที่ส่งมาบอกผมว่าเจอแม้กระทั่งท่านนี้หลายท่านนี่แหละที่เชื่อถือได้แหละแต่อีกท่านหนึ่งที่ผมแบบเห็นว่าเขาไม่เคยพูดเล่นกับผมไม่คือ มีคุณพี่ท่านหนึ่งที่เขาเป็นนักข่าวเกี่ยวกับผ่านเกี่ยวกับข่าวแะโรงเรียนที่เชื่อมต่อค่ะรักธรรมนักเนีแยครับเขาเขาไม่เคยพูดเรื่องกับผมเลยละแต่เขาบอกมาว่าผมไปนอนอยู่สิงคโปร์อพอฟั ง, องเรื่องคุณจริงเสร็จ๊มเนี่ยอผมก็กาลังเคม็มๆจะครับมีเสียงคนเรียกพี่ครับออืพี่ครับออืพี่ครั บ, รบหน้าประตูแล้วข้อประตูเขาก็เลยเหมือนฉลึมะลือแล้วกาลังจะยันตัวลูกขึ้น่อไปเปิดแต่ไม่ขึ้นได้ ที่นี่มันชินคาโปแล้วใครจะมาพูดไทยออแต่ก็ไม่ได้ไปเปิดแลมาเลยก็ได้เปิดครับก<า>ันวิ่งดีเงี้อ่ะเป็นไปได้อาจจะนอนฟังมากแล้วเก็บไปฝาอันนี้เรามองแบบในแง่มุมของของของของวิทยาศาสตร์ฟัง<ช>แล้วก็อาจจะเก็บไปฝันช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะวูบหลับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้บอกพี่เขา ใ, <ช>ให้สบายใจใ เออนะครับมากทีนี้มาว่ากันถึงเยากให้ี่แจ็คเจอที่สุด <c oughs> ไม่เอาพี่เอาแค่ฟังแล้วจบพอแล้วไม่เจอไม่เจอไม่เอา <c oughs> <c oughs> นีมาคุณคีมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่คุณเก๋เล่าให้ฟังได้ครับฮะเรื่องของเธอไม่เคยตายเป็นยังไงฮะเรื่องนี้ผมเริ่มเลยนะพี่นะ้องได้เลยคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมฟังแบบแบบ มันมีความจริงแล้วมันเป็นความเดียวที่ทําให้ผมจะต้องหันมาฟังเขาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่เจ๊จะสังเกตเขาผมจะยุ่งยุกับเรื่องพวกนี้แล้วแม้กระทั่งที่บัดบางทีเก็คุยกันสนตัวอย่างเงี้ยบางทีผมคุยกับพี่เขาอยู่ดีผมหายไปแล้วที่เขาไม่ได้อตอบมาผมไม่ได้ตอบกลับถูกไม่ว่างจริงคแล้วข้อความของใครที่ส่งมาเนี่ยก็จะลงไปอยู่ข้างล่างคนใหม่ๆส่งมาอยู่บนบนหมดอืแต่ปรากฏว่าของคุณเก๋เนี่ยเขาส่งหาผมมาเป็นเดือนแล้วนะครับแต่วันที่ ผมต้องฟังเรื่องของเขาเนี่ยข้อความของเขารอยอยู่ข้างบนแบบไม่ลงไปไหนโดยที่อ่าจะมีน้องที่ว่าเล่าเรื่องผีที่ว่าเกาหลีเขาเขาส่งข้อความมาขึ้นวันที่สองที่สามที่สี่เนี่ยแต่ของคุณเกศเนี่ยรอยอยู่ข้างบนตลอดอืันลำแรกตลอดผมก็เลยพร้อมียูกาอนที่คุยกับนายงครามว่าคุณเกศทักกลุ่มทั้งวันเลยเท่านมีข้อความเดียวเขาบอกว่าก็ทักไปครั้งเดียวข้าที่สี่ที่อ่านก็ากล่าว่าจะไม่ไม่ไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเป็นเป็นเรียนแล้วออื ผมเลยบอกผมผมไม่ค่อยได้เช็คข้อความเท่าไหร่ขออภัยครับทีนี้ก็เรื่อนเล่ยงนะครับอคือตัวของคุณเจเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของระหว่างเขากับแฟนเก่าครับแฟนเก่าในสมัยนั้นนะ่ะก็คือปีนี้ครับไม่มีอะไรที่มันเกินเลยกันเพราะว่าในยุคของคุณเยเนี่ยเขาจะเป็นยุคที่แบบถ้าเราพูดถึงรุ่นเราอะจะนแตกันแต่รุ่น แตเป็นประเทศที่ว่าคุยกันยังต้องเขียนจดหมายผ่านกันเลยโอ้เจอเจอเจอเจอกันยากเอาเถอะง่ายๆเลยมันไม่ไม่สะดวกสบายเหมือนกับสมัยนี้ใช่ครับแล้วเวลาจะเดินแบบอยู่โรงเรียนเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดจะไปเดิกันตรงหน้าเนี่ยก็ยังอายเพราจะมีเพื่อนๆคอยลอนี่เป็นยุคสมัยก่อนจะไม่มีการมาเดินเป็นคู่เหมือนสมัยนี้แน่นอนอืมพอเดินไม่ได้รักกันแค่ไหนชอบกันแค่ไหนแต่เดินปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะรอดันดีครับก็จะไม่มีอย่างนั้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้กันมาโดยสมัยป้อนหนึ่งถึงป้อหกอืม หมหนึ่งถึงมสามเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ช่วงปหนึ่งปหเนะี่ยเขาอยู่ด้วยกันด้วยดีมาตลอดนะครับ hmm. อยู่ด้วยกันด้วดีมาตลอดจนอมาถึงหมหนึ่งก็มีาการแยกห้องแต่ระหว่างที่เรียนกันเนี่ยอินเก๋เขาก็บอกว่าช่วงระเบปหกก็กมีการเขียนจดหมายหากันว่าเราจะไปต่อที่เดียวกันนะม <Yeah. S 2> ีนี้กันนะแล้วก็ชอบไปกินริชิ้นอ่าร้านหนึ่งเขาเยียกกันในนามร้านพี่ยอดอะไรเงี้ยนะครับ hmm. เขาก็จะรู้จักกัน แล้วก็ชอบไปยืนกินแล้วก็นั่งนแน่นันต้องไปเรียนต่อที่เดียวกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับท่านอย่างนี้มันจะเป็นตลอดแต่ว่าเขา mm ้า hmm. มาหนึ่งความโตของเด็กผู้ชายเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเข้าไปในกลุ่มของพวกที่เขาชอบอ่ะคนชอบกีฬาก็ไปกีฬาคนชอบเรียนก็นนไปเรียน mm hmm. แต่พอดีว่าคุณุโอ๋คือคนในเรื่องนี้นะครับ mm hmm. เขาเขาบอกว่าขอให้เล่าใช้ชื่อจริงทั้งหมดเพราะว่าเป็นความปรารถนาของเขา mm hmm. อือเอ่อ คุณโอเนี่ยเขาก็เป็นคนมีจิตใจเข้าหานไปทางนักเลงครับเขาก็จะไปเข้ากลุ่มของเพื่อนๆที่แบบนี้เลยเนี่ยอืทําให้ช่วงจังห ว, นวนะนั้นน่ะไม่ค่อยมีเวลาได้เดินกลับไปส่งกันที่บ้านเหมือนเดิมติดเพราว่าบงทีจะกลไปทางนั้นแล้วอาจจะโดนลุมตีได้ออืก็มีการเช็คเป็นหมอว่าวันนี้ไม่ได้ไปนะที่มีเรื่องกับตรงนั้นตรงนี้จะผ่านไปไม่ได้บางทีกลับมาก็มาให้คุณเก๋มาเห็นว่ามีเลือดออก ตามปากบ้ า, าองอะไรบ้างก็คนยนเฝ้าก็เป็นห่วงไะแต่คือทสมัยนั้นแหละเขาบกเขายืนยันว่ามันไม่มีอะไรเลยอย่าว่าอย่าว่าแต่ดนมือตบมือกันเลยคแค่คุณมาส่งจดหมายให้ฉันเนี่ยฉันแคอายเด๋ยวกระเป๋ากดหน้าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเอากระเป๋าบางแดดให้เดีย๋ยวหูม้วนยืมะม้วนยังไงเลยครับแล้วก็พอเห็นไงเขากุ้มใจแต่ไม่เคยทําอะไรได้มากไปกว่า น, นั้นจนจนมาถึงประมาณช่วงหมอสามวันหนึ่งก็มีข่าวว่า คุณโอโดนออกยกเสร็มเพราะว่าไปตีคนงานอื่นแลว้วทราบว่าคนงานอื่นเนี่ยถึงแม้นขนาดเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่แน่ใจว่าไปจบที่ไหนครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปจบที่ไหนหมายถึงว่า ค, คนที่บาดเจ็บอ่ะจะไปจบที่ยังอยู่เกิดหนักหรือว่าเปลี่ยครับแต่รู้ว่าคือหนักถึงขณะที่ว่าโดนไล่ออกแต่ทั้งนันเขามาเอาเรื่องอืมคุณโอ้ก็หายไปเลยคุณโอ้หายไปกับสารระบบของ คุณเก๋ ค, คุณเก๋เนี่ยในขณะที่ขึ้นมนหนึ่งมาเนี่ยก็เริ่มเป็นคนที่ขายแววความสวยออืก็จะมีคนมามองแต่ไม่กล้าจีบเพราะว่าตอนนั้นอะคุณโอยังอยู่แล้วก็คุณเกเลยเดี๋ยวไม่มีใครกล้าอย่างด้วยแต่พอคุณโอไม่อยู่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีรุ่นน้องบ้างรุ่นเดียวกันบ้างมาจีบอืในขณะที่พอมาจีบมาแฉลเนี่ยเขาก็ไม่เคยเป็นใจใครเลยแตงแต่มสี่มหกไม่เคยคิดมีแฟนเพราะว่าที่จริงคุณโอตลอดจน หมอหกก็ไปต่อมหาลัยอืมไปต่ะมหาลัยเนี่ยก็มีแต่ได้ยินข่าวนะว่าไปอยู่ต่างจังหวัดอืตอนนั้นน่ะความคนเราคือคนเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเ ร, รื่องลืมเลอ่ะใช่ไหมมันก็จะมีการลืมๆกันไปบ้างใช่อืมแต่ถามว่าเป็นเป็นรัฐแรกของเด็กๆเพรที่เรารืมแบบลืมหมดไหมก็ไม่หมดหรอกก็ยังมีพิ่ถึงแต่ซีไม่ใช่หมายถึงแบบจะต้องอยากเจอกันอะไรขนาดนั้นอืมพอขึ้นปีหนึ่ง เ <S an> <S an> ขาถึงจะเริ่มมีแฟนครั้งแรกครั้งแเลยนะหลังจากที่คุณโอ๋ายหลังจากสาระระบชีิเขาเนี่ยครั้งแรกนที่มีแฟนก็คือตั้งปีหนึ่งนี่แหละพอมีแฟนแฟนคนนี้ก็เป็นคนที่เจแคร์ดี <S S <S <an> <S ทำไมถึงอยอมแพ้ใจเพราะว่าเทคแคร์ดีทุกอย่าง <S <S <an> <S ทุกอย่างเกี่ยวกับในเรื่องอะไรทุกางผมไม่นอกเรื่องทุการตังฝ่งแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับแฟนคนนี้เทคแคร์ดีทุกอย่างดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งไปเที่ยวผู้ชายเรา ก็เกิดแบบตรงๆครับคุณเองผมก็เป็นครั้งนะถ้าแฟนถ้าแฟนเราไปไปเลือกเสื้อผ้าอะไรแหละเราก็จะมีแครับอืมค่ะเดี๋ยวงานนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟนของคุณเก๋คุณเนี้ยสามารถยืนรอได้เป็นวันอเผอๆแบบอันนี้ดิเอานี้ดิให้ยเอานี้สวยเอานี้ดีๆแล้วเขาแบบไปอยู่เมืองนอกมาเขาจะมีการอัปเดตตัวเองตลอดเขาก็เลยอ่านหนังสือพวกแบบหลังสที่มัน เรื่องในเรื่องของไทยในะตอนนั้นนะอัพเดทว่าอย่าตกใจนนะครับคุณเกดก็รู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ผู้ชายคนนี้เซคแยนทุกอย่างแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนใด้วยก็อล่าครบและครบกันไปเรื่อยๆเลยจนมีวันหนึ่งคุณเกดนั่งรถแฟนเนะี่ยแล้วเห็นคุณโอนะ๋เนี่ยเหมือนแบบเดินผ่านป๊อปยิบรถกระจกกระจกลงนะแล้วก็กําลังจะตะโกนเรียกแต่เดินรับหายมิถอนครับ เขาคิดไม่แน่ใจหรือว่าเราจะเห็นคนที่หน้าเหมือนเฉยๆก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรง น, นั้นอืหลังจากช่วงที่เห็นตอนนั้ น, นไม่กี่วันกําลังนอนๆ อ, อยู่ในตอนคืนก็ฝันอืฝันเห็นเป็นสภาพตัวเองเนี่ยกับคุณหอเนี่ยใส่ชุดนักเรียนส ม, ยมยนัยป .1 ถึงป .6 อ่ะ<ข>ที่เป็นป .6 เลยว่าสมายพพัยป .4 ป .5 ป .6 ประมาณนั้นแล้วก็เดินเล่นกันอืแล้วก็บอกว่าเอเอเส โอ้ม a ลานะค<ะ>รับเลียงฝันคุณเก่งแล้วก็เหมือนกับยังจําไม่ได้กับเรื่องพวกนี้ครับเขาก็อยู่กับปฏิบัติของแค่เลฝันกันแล้วเขลาไปไหนอะ่ะเขาไปที่ไปไหนอะ่ะอืมโอ้ผมมาลาที่สวีกครับแล้วก็ค่อยๆมีเรียบพุม่ม<อ>แล้วก็น้าเขียวเขียวจนขนาดที่คุณเก่งตกใจและเตื็มครับเ<ะ>ต็ขึ้นมาเนี่ยบวกกับความฝันที่ตกใจพร้อมกับมีเสียงคนเรียกที่ นาบ้านตีห้ากว่าคุณเก๋ดูนาิกาตีห้ากว่ายังไม่ถึงหกโมงเลยใครมาเรียกวะก็โพที่หน้าต่างไปปรากฏว่าเป็นเพื่อนเพื่อนที่รู้จักทั้งคุณเก๋และด้วยคุณคุณโอด้วยแต่ตอ น, นั้นไม่ได้คิดถึงนุกโหลอกแค่สงสัยว่าอ่าแล้วแล้ ว, ลวยังไงมาเรียกแต่เช้าเนี่ยด้วยสะพรน บ, บอกเก๋โอ้ บอกดีไหมวะบอกเลยมันเรียกขนาดนี้แล้วมันต้องพูดแล้วอะไรอื อ, อเพื่อนกันก็ตะโกนเล่นกันอย่างเงี้ยโอหมันมันตายแล้วนะโอโออะไรวะเขาก็ยังถามโออะไรครับแต่ ท, ทันทีที่ลิซก็ฝันมาแล้วโอวอะไรวะก็โอ้ยโอเมื่อก่อนนะที่เป็นแฟนเอ่ะจียเขานึซอยู่พักหนึ่งแล้วเพิ่งฝันด้วยไงเฮ้ยจริงเนี่ยเป็นไนรเห็นว่าระชน ตอนนี้สบตั้งอยู่ที่วัดนี้นี่นก็ดูคุณเก๋ก็โ okay, okay, e อเคๆเดี๋ยวอนันถ้าอะไปเลยเพื่อนคนนั้นก็รอคือจะร อ, อคุณเก๋ไปเลยอะเมื่อก่อนเนี่ยคือพ่อห่วงแต่พออยู่มหาลนะัยแล้วแล้วนีแฟงอะไรนันนะ่นเขาก็ไม่ห่วงแล้วนวะโตแล้วอ่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวได้รอดีฟ้นนอนมอไทรไปด้วยเลยก็ปรากฏว่าอนันตธาตุเสร็จฟ้อนมอไทรไปไปถึงวัดฟังไอ้ช็อตอนี้นะทพอไปถึงวัดปุ๊บเนี่ย วินาทีที่คุณเก๋อลงรถแล้วเดินไปถามศาลาไหนเขาชื่อศาลานั้นกําลังจะเดินเก้าขึ้นศาลาไอ้เนี่ยร้านลูกชิมข้างๆอ่ะที่เขามาขายเขาเห็นเนื้อหอยสดเขาก็จะมาขายเนาะเป็นรถเล่ขายมาเนี่ยคุนนี้ดูเปิดอีกด้วยก็เปิดเพลงเธอไม่เคยจะตายของคุณป่อของลุอถูกเพลงเพลงเพลงเพลงเธอไม่เคยตายอือช่ซึ่งเป็นเพลงโปรดของคุณโอ๋พอดีเลยจังหวะ เขาคุณเก๋บอกว่าพอได้ยินปุ๊บน้ําตาล่วงเพะเลยจังตอนแรกที่พยายามกั้นแล้วคนไม่เจอเรามาท่านานไม่เจอเรามาท่านานเขพยายามที่จะกั้นแต่พอได้ยินเพลงเนี้ยปุ๊บหันไปมองแล้วขนลุกว่าทําไมมันพอดีอะไรอย่างนี้อ่ะับก็คือเป็นเพลงที่เขาชอบด้วยเพลงที่คนคนเสียชีวิตเขาชอบด้วยครับก็หันไปมองร้านลูกชิ้นนิดหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปในตลาดเพื่อนของอเพื่อนของ คุณเก๋ก็เดินมาแล้วก็มาบอกว่าอันเนี้ยแม่โอที่แจ๊คคิดดูว่าความที่เขาเป็นแฟนกันแล้วสมัยก่อนคืปอป๊อปกิเลสไม่เคยไปบ้านกันถึงขนาดไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ของใครอะครับไม่รู้ว่าใครเป็นพอ่อไหมเขาเลยบอกอันนี้เก๋ใช่ไหมลูกบอกใช่คะ่ะสวัสดีแม่เป็นแม่โอนะออืโอ้รักเก๋มากเลยนะรู้หรือเปล่าออื คุณเก๋เขายิ่งแบบพยายามจะกั้นอยู่แล้วเขายิ่งน้ำตาไหลเยอใหญ่เลยทำไมแล้วทำไมแม่รู้อย่างนั้นอะไรที่ทำให้แม่รู้ว่าเขารักหนูขนาดนั้นเขาส่งหนังสือสมุดเฟรนชีพเล่มหนึ่งโดยเองลูก ค, คุณเก๋บอกจำได้พอเห็นจำได้ว่าเนี่ยเฟรนชีพสมัยป .6 ที่จะจบจากป .6 แล้วก็เปดิดดูมีรูปช่วงสมัยนนป .1 มีป .6 ตลอดซึ่งตอนนั้นแหะจะมีในเด็กก็มีการจับถ่ายคู่กันบ้างในสมัยโรงเรียนเขาจงรูปมาผมรู้นะเดี๋ยวผมจงให้จดูครับรูปสมัยเรียนแต่เขาจะนั่งคนละฝั่งกันเลยนะรู้ว่าแอบยิ้มแอบมองกันผมเห็นรูปแล้วแหะจะส่งให้ดูคนระัครับและ้ะก็มีรูปสมัยประเลิมปปหนึ่งปหกมีรูปเรียนมหนึ่งถึงมสามโดยที่มสามเนี่ยคุณโปออกไปแล้วเนะี่ยแต่แอบถ่ายรูปคุณเก๋ตลอดเวลาโดยที่คุณเก๋ไม่รูเรื่องเลย และที่สําคัญช่วงมหาลัยก็มีอม ค, คุณง่ายแล้วเขาติดตามคุณเ ก, ก๋ตลอดเวลาแต่คุณเก๋ไม่เคยรู้เลยออืคุณเก๋ไม่เคยรู้เลยก็เลยถามว่าแล้วทาไมโอไม่แสดงตัวออืถ้าโอแสดงตัวน่ะเ ก, ก๋ก็ก็คงจะไม่มีใครเพราะว่าเก๋ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบอืมคบใครง่ายใจง่ายอยางั้นแม่รู้ไหมว่าตั้งแต่ที่โอออกจากเรียนมสามนะ่ะมสี่มห้ามหกเก๋ยังไม่มีใครเลยนะครับ คือมันนานเดินไปหรือเปล่าแล้วก็เราไม่รู้ว่าเขาไปแบบเขายังไม่บอกลาเราสักคาเลยที่สา ม, มันติดต่อกันยาก ม, มันติดต่อกันไม่ได้ด้วยไงใช่ครับเขาบอกว่าที่รู้ว่าคุณโอ๋ออกจากโรงเรียนเนี่ย ค, คือโอ๋ก็ไม่ได้เป็นคนบอกนะหายไปเฉยเลยอืมเพื่อนของคุณโอ๋บอกที่อยู่ชั้นเดียวกัน ท, ที่อยู่เอห้องเดียวกันแหะเขาบอกโอ๊ยทีมมันโยนออกยกเซนแล้วไม่รู้เหรอนั่นแหละคุณเก๋ที่ไม่รู้ว่าอ้าวโดนไล่ออกไปแล้วเหรออืมแล้วทำไมไม่าบอกกันสักคำเสียใจมาก มาร้องไห้ปุปีๆแต่วันเวลาก็ทําให้แข็งขึ้นอืเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเขาไม่มีอะไรเกนเลยในยุคนั้น น, น, นะะครับทีนี้มาตัดกับไปที่เรื่องงานศพอสร็จ แ, แล้วก็พอเห็นรูป ก, กู๊บเขาก็รู้สึกเสียใจครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้อ่หนูจะมางานศพนั่นแน่นะแม่ก็บอกอ่ามานะลูกนะโอ้โหมันรักหนูมากเลยนะสภาพศพก็คือแบบ เขาไม่อยากมองเรับอกไม่อยากมองเลยเห็นแล้วแบบสงสารเลยแต่นอนนิ่งดูแล้วแบบมันตาตกที่สำคัญนะพี่แก้วเขาตายในวันที่22สิงหาคือเป็นวันเกิดของเขาอุ้ยวันเกิดของของผู้ชายอะเหรอถูกต้องครับเกิดและตายในวันเดียวกันเออข้อความของบุญเก๋ลอยขึ้นเมื่อตอนต้นเดือนนี้นี่เดือนอะไรอ๋อ เป็นข้อพิสูจข้อหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเขาพยายามจะให้เราเรื่องนี้ทีนี้อ่าพอคุณเดี๋ยวบอกอย่างนั้นป๊บก็กลับไปใช้ที่ปกติในช่วงกลางวันเปลียนแล้วก็ไปเจอกับแฟนที่เป็นลูกพี่ก็เลยบอกว่าอพี่เดี๋ยวคืนนี้อยู่ไปงานจบเพื่อนหน่อยนะแฟนเขาบอกดีี่เขาแล้วพี่คงไงไม่ต้องนั่งรถไปพี่ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหนครับรถไปนั่งรถไปกันเองดีกว่าเพราะไปกับเพื่อนหลายคน เพ่นขน้งนั่าพี่ได้ทำไมอะเอาหน้าพี่ไปโรงเรียนก่อนว่าที่พี่ทําอะไรที่ทําเลยแต่ว่าเกศมันไม่อยู่ด้ยวยนะวันนี้ไม่ได้เจอกันเขาเลยบอกอ่าโอเคโอเ ค, อ เ, คเอาที่สบายใจได้เล้วก็บอกพี่แล้วกันก็ปรากฏว่าเขาไปแล้วพอไปรู้เรื่องพวกนี้ยมีการไปคุยมากขึ้นเนะี่ยก็เสียใจมากๆเนะี่ยพอกลับมาก็ไปหาแฟนก่อนครั บ, รบปรากฏว่าเก็บความเสียใจไม่ไหวนะบางหัวด้วยก็ร้องไห้เอาไวมแฟนเลยถามว่า ตกลงไปงานศพใครกันแน่เนี่ยก็เลยอยอมรับบอกมาว่าเอ่อเป็นงานศพของแฟนเก่าโอ้แฟนเขาโกรธมากเลยเขาบอกทําไมไม่บอกบอกตรงๆก็ได้พี่ไปก็ได้ออืถ้าไม่อยากให้พี่เข้าไปในงานศพพี่ไปร อ, อข้างนอกก็ได้หพี่ไปส่งก็ได้คือมันจะดูเหมือนว่าในใจมากกว่างัยว่าถ้าไม่ได้มีอะไรกันในใจทีนี้เขาก็เลยขอโทษขอโทษว่าโผล่เป็นรเรื่องใหญ่อะจนถึงข น, นาดที่คุณเกตต้องรับปบากว่าไม่ไปและวันหงวันเผ่าไมไปละ ไม่ไปเลยเนงะินทบอืมนะครับไม่ไปเลยทีนี้พอหลังจากนั้นก็เออ่เหมือนกับว่าคุณคุณคุณเก๋เนี่ยก็จะได้รับการเข้าฝันจากคุณโอตลอดเวลาครับเขาฝันตลอดเวลาเลยอยู่นี่นั่นแต่เป็นการเข้าฝันเหมือนกับใช้ชีวิตช่วงปีหนึ่งปี6ที่จะมีภาพออกมาอ๋ออ๋เป็นช่วงที่เขามีความทรงจําด้วยกัน ถูกครับแต่การ<อ>พูดกันจาเนี่ยเป็นคนโตแล้วนะทุกคนทั้งคุณเก๋ะแะทั้งคุณโอ๋แล้วเพื่อนที่ร่นในฝันนะมีความคิดเหมือนคนโตหมดแล้วทุกคนยังมีคีติอยู่หมดยกเว้นคุณโอ๋คนเดียว<อ>แต่การพูดกันจาของคนโตแต่ลูกย่างนะ่ะเป็นเด็กแต่งชุดปอนด์หอหกอย่างเงี้ยอืคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเอ่อมีความสุขที่สุดอืมเขาเลยพยายามที่จะเข้าฝันช่วงนั้นก็คบกับแฟนเขามาเรื่อยๆโดยที่ไม่เคยบอกนะว่าคุณโอ๋มาเข้าฝันเรื่อยๆ ไมไ่พูดถึงไม่ได้อะไรจนในที่สุดตัดสินใจเตรียมงานแต่งเรียบร้อยแล้วนะเรียนจบแล้วนะคบกันมาที่ปีคิดอยู่เรียมงานแั่งเรียบร้อยแล้วแต่จะสิ่งวันแต่งอยู่แล้ว อ, ะอ่ะก่อนหน้าวันแต่งเหลือแค่เหลือแค่การถ่ายพิเศ่อย่างเดียวอ ะ, อะแล้วก็จะเข้าสู่งานแต่งวอือวันนั้นเป็นวันที่คนนักเต้นจะไปเวียนเทียนครับแฟนก็โทรมาตอนประมาณชั่ สี่ห้ามงเย็นห้าหมงเย็นกวันเนี้ยบอกเก๋แล้วไงพี่หนูเตรียมตัวเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยว ก, ก็กะว่าจะไปวันนี้นนั่นกันพี่ชายฟังให้เฉย น, นะอืฟังจบเสร็จแล้วเขาบอกว่าฟังพี่ดีๆนะเราเลิกกันเถออเฮ้ยกำลังจะแต่งงานกันเนี่ยนะใช่คือคุณเกียรบอกว่าเข้าใจสภาวะของคนที่แบบ เขามีนั่งมีตาทั้งสองฝ่ายอ่ะเั้งฝั่งผู้ชายและฝั่งของคุณเครับนะครับเอเขามีหน้ามีตาทั้งสองฝ่ายแล้วเขาแบบว่าบอกแขกเลือไปเยอะญาติไเยอะแล้วก็แม่ขั้งสองฝั่งก็รับได้ครับรักกันได้ที่เขาอยู่ก็เป็นบ้านของเขาซึ่งเป็นบ้านที่ซื้ออะไรถูกต้องเหมดแล้วทุกอย่างแต่ปรากฏว่าอยู่ดีมาบอกเลิกก็แลยวพี่เอ้ยหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทําอะไรพี่ อบอกก่อนขอเหุผลย้อนมันเรื่องใหญ่นะอออ่ามันไม่มีอะไรผิดแต่ที่พี่บอกแช่นี้พม่ด้อธิบายไงแต่พี่ว่าเราเลือกกันเถอะเ๋ทำใจนะติดโทษแล้วตัดสายไปเลยยคุณเก๋เอกว่านั่งทุดลงตรงนั้นเลยนะออทุดลงตรงนั้นแล้วก็ร้องไห้แล้วตั้งแต่นั้นคือผอมถึงขนาดที่ว่าเข้าลงพาบานแล้วพี่เต้ เพราะวมันใหญ่เรื่องมันใหญ่มากแลว้วอะ oh, oh. แล้วทั้งอายด้วยทั้งเสียใจด้วยราคบมาขนาดไปตามผู้บ้านปรากฏว่าไม่เจอครับ oh. เขาติงขนาดประกาศประกาศขายบ้านต่อเลยนะหุ้ oh. ายไปที่อื่นนะ่ะเท่ากับว่าถ้าผมนั่งนั่งคุยกับคุณเกศแสดงว่าก่อนที่จะบอกเชิญต้องมีการทําการเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วพไ oh. มะนั้นผมจะย้ายจปไม่ทันหมดหรอก เฮ้การคนเรามีแผนจะแต่งงานวางไว้ต้นนี่นั่นการเกิดเชิญผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่รับรู้ทั้งสองฝ่ายแล้วอยู่ๆมาบอกเลิกกันอย่างเงี้ยมันเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่มากมันมันใหญ่เลยอ่ะเออ๋ออ๋อครับตอนี้คนที่เขาอยู่กับเฉยเขานั่งฟังอยู่เลยเขาก็บอกว่าก็เพราะว่ามันไม่ดีทอนี้ผมก็สงสัยมันไม่ดียังไงวะเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็เลยบอกว่าไม่ดียังไงอ่ะคนเมื่อกี้อย่างคนตรงข้ามเฉยบอกว่าไม่ดี เขาก็ม น, นิ่งแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอกว่าอ่าโอเคไม่ไปตัดถามมากเวลาผ่านไปนานมากนานตอนนั้นคือคุณเฉยบอกว่าสิงขนาดแบบติดเที่ยวไปเลยจากที่มีคนไม่เที่ยวนะติดเที่ยวเพื่อจะหาอะไรก็ได้เข้ามาแทนที่ช็อกอะ่ะถ้าผู้ชายถ้าผู้ชายที่จะมาคบเนะี่ยคบได้นะอืแต่อย่าหวังที่จะได้แต่งตัวแต่คุณจะต้องหมดหลายบางชัวแน่นอนอื คือนเมื่อผู้ชายมีฉันก็จะทําคืนบ้างอะไรประมาณอย่างนั้นครับครับอ่าก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักระยะหนึ่งจนมีความรู้สึกว่าพอแล้วแหละมันไม่ใช่ตัวเราอะ่ะอืมก็เลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมหยุดอยู่กับบ้านนิ่งมทีนี้ก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นสินเใช้เวลาอยู่นานนะประมาณครับแล้วจำไม่ได้ว่าคุยจนกว่ามันสองปีได้หรือเปล่านะครับ ที่ทําอยู่นั้นอ่ะอืแล้วก็เบื่อหน่าจนพักอยู่กับบ้านที น, นี้เพื่อนพี่คนหนึ่งทีเ่เขาเป็นเกย์เขาเคยเที่ยวที่ตะวันตกก่อนเนี้ยครับวันหนึ่งก็โทรเข้ามาหาบอกเก๋แต่แกจะฟังอะไรฉันสักอย่างห น, นึ่งเนี่ยแล้แกจะไม่รู้ว่าแกจะขํามันแกจะอึ้งนะอทำไมอ่ะฉันไปเจอสามีเจา่าแกครับเจอที่ไหนอะพี่ ทำไมหนูหามาตลอดทุกปีไม่เจอแลอ้วที่เป็นบังเอิญเจอได้ไงไปเจออยู่ตรงหลืกไหนอะไรนีก็พูดด้วยคโมโหไงครับอ๋อมันต้องลืบแนะ่นรออลไรแกถึงได้ไม่เจอฮะฉันไม่เจอมันอยู่ในบาร์เกไปอยู่ในบาร์เกยเขาเขาไปไปเป็นผู้ชายขายอะไรเหรอพี่ก็<อ>เป็นอย่างนั้นฉันก็ดีใจกากแกด้วยนะ<อ>แหละบังเอิญไม่ใช่ออืสามีเก่าแกเนะนี่ยหนังเป็นตัวแม่นะเลอคือเขาแบบนะั้น อะไรอ่ะแต่สิ่งั้นมารู้ตอนนั้นอ่ะทุกอย่างเลยแล้เวเขาก็บอกจะรู้ว่าแกจะต้องไม่เชื่อเดี๋ยวฉันไปหาที่บ้านฉันแอบถ่ายรูปมาด้วยอือทำไมนั้นไม่ใช่เรื่องของโทรศัพท์ไงจะส่งไปไลน์บนเฟซไม่ได้ไงจะต้องใช้กล้องในกาถ่ายแล้วก็เอาไปยินอย่ันกันที่บ้านออือก็ไปหาได้เห็นรูปหมดเลยชัดเจนเลยก็เลยรู้ว่าอ๋อไม่ดีก็เพราะเป็นอย่างนี้แต่พี่แป็คเล่มภาพออกไหมว่าทําไมต้องเข้ามาอูา่ในชีวิเขาเป็นช่วงเป็นช่วงเลย เพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะไบเซ็ชวลแบบหญิงก็ได้ใช้ยก็ดีแต่เมื่อวันหนึ่งเที่ึงวันที่ต้องแต่งงานแล้วครับทนความเป็นจริงไม่ได้ไงก็ต้องอยู่กัาผู้หญิงตลอดก็เลยลุมเลิกแต่มาบอกช้าเกินไปหน่อยนะโอ้โหมาบอกตอนใกล้จะแต่งอยู่แล้วอ่ะใช่เหมือนพึ่งหาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคืบอกว่าที่เทคแคร์ดีก็เพราะว่าเป็นอย่างนี้ไงถึงว่าถึงชอบเลือกเสื้อผ้าให้อะไรให้นานเป็นวันก็ไม่ว่าครับก็เพราะเป็นอย่างนี้เหมือนกันโอเคเรื่องนี้ก็ผ่านไปครับอ่ะช่างมร ก็ถ <c oughs> ึงใจและจนไปเจอแฟนคนปัจจุบันอืปัจจุบันนี้นก็มีกันใช่ครับตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยตัแต่ต้นปัจจุบันนี้เลย <c oughs> ก็คนนี้เข้า ม, มาดูแลดีมาเทคแคร์ดีตอนแรกคุณเก๋ก็ไม่เกิดใจหรอกเพราะว่าเ็บมาเยอะอะนะครับคนแรกก็หายไปไม่บอกกล่าวคนที่สองก็ยังมาเป็นอย่างนี้อีกรู้สึกว่า ม, มันอยากจะเชื่อใจใครแต่ด้วยความดีของผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เลยอ่ะ โอเคเปิดใจคบกันจนแบบว่ายาวอะ่ะยาวตลอดเลยนะแล้วระหว่างเนี้ยคุณโอก็มาเข้าฝันทุกวันทุกวันเป็นปีใช้ระยะเวลาเป็นปีคือพูดง่ายว่าใช้ชีวิตอยู่กับคุณเก๋แต่อยู่ในโลกของความฝันออโดยที่คุณเก๋ก็ไม่เคยเลา่าใครฟังเพราะกลัวคนอื่นจะเาว่าบ้าครับคนอะไรฝันก็ต่อกันคือสมมุติว่าคืนนี้นะพี่แฝันว่าเโอเคเราจะกินก๋วยเตี๋ยวกันตอนเนี้ยเวลาประามาณหกโมงเยนของวันน<ม>ี<ม>้ยห<ม>้าโงเย็นเ่ย แล้วม <S' fit> um ันเป็นช่วงที่คุณเก๋ตื่นครับพออีกคืนหนึงมาฝันต่อต่อตรงร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นต่อนะแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนู่นนี่นั่นเฮ้ยอือเป็นอย่างนั้นเลยอืออืออืออือไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยด้วยด้วยฐานะด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าโอเคผมก็ดูเขาแอดมาผมก็ดูโปรไฟล์นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครบ้างครับผมคิดว่าเขาไม่ได้รออะไรไม่ได้โกหกเขาก็ดูมีฐานะเลยแหละเขาก็บอกว่าชีวิตของเขาก็ไม่เห็นจะต้องมานั่งแต่งเรื่องอะไรแต่ที่นี่มันสเกิดขึ้นจริงแล้้วววเเเเคคาาาาาาไไมม่่่สรรรถจะะะบอกกกใดพนีย บ้าคือฝันต่อไปปีไม่เคยบอกกันแม้กระทั่งแฟนตัวเองก็ไม่บอกอ <mieux S 1> จนเนี่ยพบมาขนาดถึงวันที่จัดแต่งงานากับแฟนคนนี้ยครับก่บอนหน้าแต่งงานไม่นานคุณโอมมาในฝันซึ่งเคยดีมาทุกวันอ <segu> อืก็พูดว่าเก๋อเก๋จะแต่งงานกับไอ้นั่นจริงๆเหรอซึ่งในฝันเนี่ยคุณโอไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่เคยพูดเรื่องของโลกมนุษย์พูดแต่เรื่องในฝันของตัวเองเรื่องของตัวเองมีความสุขอยู่เหมือนก<อ>ัน<ม> ก็เที่ยวกันมองหน้าหวัวเลาะยิ้มแอบอายกันเห่างนั้นแหละับมันเดิมทุกอย่างแม้แั่ในฝันก็ยังไม่ร่วมเกินนะออืและสุภาพทุกอย่างด้วยครับทีนี้วันที่จะแต่งใกล้มาถึงละคุณโอบอกเก๋จะแต่งงานใหญ่นั่นล่ะอืคุณเก๋ก็จะดุเริ่มนึกเรื่องความเนจริงในโลกของวมมันเนจริงได้ก็เลยบอกแล้วโอจะมีอะไรหรออโอมไม่ยอมนะโอไม่ให้นะครับโอไม่แต่ง จะเป็นจะตายยังไงก็ไม่ให้แต่งยังไงงานนี้ก็ไม่ให้แต่งอโอ้ไม่ได้ใครก็ไม่ได้ครัเพิ่งได้ยินคําเนี้ยครั้งแรกจากเขาเหมือนแนวเอาจริงแต่ก็พูดอย่างพูดดีๆอยู่นะเขาก็เหมือนทะเลาะกันจนตื่นทะเลาะแบบมีปากเสียงกันจนตื่นตื่นมาก็เก็บมาคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ว, ว่าแต่เราเขาฝันมาเป็นปีแล้วนะครับตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังแฟนเขาก็แบบ เอ้ยมันใจนี่ฮะแต่ว่าด้วยความที่กำลังเหนื่อยๆกันหลายๆเรื่องะออืแล้วเป็นคนที่ใจร้อนเหมือนกันก็เลยบอกเอาอย่างนี้เลยถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยแล้วมันมาเข้าฝันเก๋เป็นปีแล้วเก๋ก็เพิ่งจะเข้าเนี่ยก็ยอมรับว่าโมโหเหมือนกันเอางนี้เลยมันเป็นใครไม่รู้แหละแต่ถ้ามาห้ามกูไม่ให้แต่งอ่ะมึงมันจะเราดในฝันอูอยากรู้ว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าอีกวันึต่อมาแสงก็โทรมาเก๋เดือดเจอแล้วว่ะเอ้ยไปจริงหรอ ไอจริงไปเดินไปสิปุ๊บเนี่ยถามเลยมึงท้ากูต่อยเอะ่ะมึงแย่งแฟนกูแล้วมึงยังไท้ากูต่อย อ, อ่อะมีนั ก, กเลงมากล่ะคือพี่เจ๊จะลืมแล้วว่าช่วงวันหนึ่งคมาถามเข า, ามีความเกเรยอยู่นั่นจะต้องยอมรับว่าคุณโอเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนออออแล้วทีนี้พอถามบอกมึงท้าจะต่อยกันวนเนียเลยเท้า ม, มาประกดแลาแฟนคุณเก๋อปากแตกคุณเจ๋อเขาบอกเฮีย ไอ้เรื่องฝันจะจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้่แต่ว่าข้างนอกที่ปากแตกอาจจะแบบพอฝันแล้วละเมอมือกัดแกงไปโดนล้ปากแตกแล้วเปล่าบอกไม่รู้เหมือนกันเราจะรู้แต่ว่าเฮียปากแตกแล้วก็รู้สึกว่าเขานักเรียนน่าดูเหมือนกันนะพอเขาบอกว่ามึงแยงแฟนดูแล้วมึงยังมาท้าคูณต่อยกันก็เลยแบบเชื่อพอเชื่อเสร็จก็พยายามกับเขาก็เริ่มที่เอเริ่มเงียบ้างียบเรื่อง เ, เ, เ, เนี้ยไม่รู้ทาไงเลยไปศึกษาทางฝั่งคุณพ่อของเขาครับ เขก็บอกไม่เวลาจะไปหาพินแสเขาจะเป็นคนจริงนะบ้านเนี้ยเป็นคนจีนหมดทั้งสองฟังเลยพินแสก็ให้ประคำมาชส้นหนึ่งเดี๋ยวต้งให้ดูเขาต้องรูปประคำให้ผมดูเนี่ยประคำเก่ามากเลยบอกว่าให้ใส่เอาไว้ทุกวันเวลานอนห้ามคอดเด็ดขาดเวลานอนต้องใส่ือสลับที่ไหนก็ใส่ปรากฏว่าแฟนของคุณแก้วประคำมาให้เขาก็ใส่นะใส่คอแล้วก็นอนใส่คอแล้วก็นอนไม่เคยฝันถึงคุณโออีกเลย อืมหลังจากที่ใส่ประคําแล้วใช่ oh, ครับจนแบบว่าโอเคแล้วแต่ถึงวันแต่งงานอยู่แลนะก็เหนื่อยไงเหนื่อยจากนี้นนัแล้วมีการไปฉลองสลากโสด <Okay. S 2> คือฝ่ายหญิงก็ไปกับเพื่อนฝ่ายชายก็ไปกับเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันที่งานอืมวันนี้ไปปาร์ตี้สละโสดกันก่อนรปรากฏว่าเมาแล้วลืมใส่ประคมคุณโอมากเกี่ยวกาดเลยในะฝันว่าเจ๊ ทำไมถึงต้องใส่ประคําเช่นนั้นทําไมถึงไม่ยอมถอดไม่คิดริงกันบ้างเลยเหรอที่ผ่านมานี่คือไม่อะไรบ้างไม่ไม่รู้สึกบ้าเลยเหรอที่ไม่ฝันถึงโอ้คือต่อว่าเหมือนเป็นจริงอะ่ะอืมคุณเขียนพวกสะดุ้งตื่นเลยนะแล้วก็ตื่นื่นมานั่งแบบมามเอาอยู่ว่าอยู่เรื่องจริงนะพ่อผมเนี่ยมันเป็นปีมาแล้วแล้วมันก็หายไปในขณะที่เราใส่ประคำแล้วก็มาโคย่ถ้าาไม่ใส่ประคําออก็เลยเล่าให้กับ แฟงเขาฝังแฟงขาบกกันอย่ันก็อย่าถอดเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะต่นอนเมื่อไหร่ก็จะหลับเมื่อไหร่ก็ต้องใสอ่ะก็ใส่พราะไม่เคยถอดเลยจนแต่งงานกันไปตรากดว่าแต่งงานกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีวันหนึ่งก็มันทานไปหลายเดือนอ่ะคุณลอมังก็มีพลาดโดยที่เขบผู้หญิงก็ไม่ได้ใสตลอดอยู่แล้วประคําใช่ไหมมันต้องมีเวลานอนมีนไม้มบ้าง่างนีก็ลืมเนี่ยอออ๋อออออ เขาก็ลืมคุณโอมมาเลยบอกว่าเกพูดเป็นดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมบอกแล้วว่าไม่ให้ใส่ประคำจําไว้นะบอกแล้วว่าไม่ให้แต่งแค่ที่จะแต่งก็อย่าเจอกันถ้าโอมไม่ได้ใครก็ไม่ได้ถ้าอยู่ในสถานะนี้ไม่ได้จะอยู่ในสถานะอื่นคุณเกย์ก็สดุงตื่นเลยอืแล้วเขาคือคืออะไรอย่าครับคนไหนที่อะไรอยู่ฐานะนี้เขากำลังสื่อเขาก็กลังสื่ออะไรอยู่ ออืใช่ออืออเขาก็เลยว่าเฮ้ยมันมันไม่ค่อยดีมั้งเฮียเพราะที่ผ่านมาเฮียก็ลองแล้วด้วยอะเฮียท้าเขาแล้วก็ยกไปหาเฮียถึงฝันเลยแล้วพูดอย่างเงี้ยจะต้องทํายังไงปรากฏว่าประจําเดือนขาดอสองคนนั่งคิดเลยนะออืเอาไงดีเนะี่ยครับจะใช่หรือเปล่าพตอนนั้นก็คือไม่ฝันถึงเลยนะหลังจากประจําเดือนขาดอะครับ ไม่ฟันถึงเลยก็นเรื่องคิดเฮีย yeah. แล้วถ้าเกิดมันใช่อ่ะันนี้ฝั่งผู้ชายเขาไม่ค่อยที่จะอะไรมากเขาบอกยังไงแคลูกสาวแหมแล้วก็คงจะไม่ใช่หรอกมั้งแล้วถ้าเกิดสาวมาเป็นผู้หญิงก็ยิ่งไม่น่าใช่ใหญ่เลย ค, คุณเก๋บอกแล้วถ้าเกิดผู้ชายอ่ะเอาเลยแนะ่ยังไงแค่ลูกเราเราสอนได้มั้งก็ไปสาวปกติเนี่ยจะสาววันเท่าไหร่ไม่รู้นะว่าเขาจะเห็นเพศกันนะแต่คุณเก๋บอกว่าของเขาเองเนี่ย ของของคุณเฉยเนีกาแฟเนี่ยสามที่ 3, 4, 4, เดือนแล้วยังสาวไม่เจอเพศเลยไม่เจอเพศเอ อ, เ, อ, อเหอเบิ้ลหลบอะหลบมันแสดงให้รู้ว่าเป็นเพศอะไรปรากฏว่าเขาเดือนที่สี่ยังเขาที่ห้าเนี่ยถึงเห็นว่าเป็นเพศชายครับผมก็คณีเอาค่ะคุณเฉยว่าน่าจะเป็นประมาณว่าเขาปิดไม่ให้เห็นเพราะกลัวว่าคุณเกยคิดไม่ดีหรือเปล่าคุณเก๋เขาบอกว่ายอมรับเลยนะตอนนั้นจิตตกมากคิดมีส่วนคิดไปแล้ว่าถ้าสาวเป็นผู้ชายตั้งแต่แรกแล้วพอจะทําทํำได้ก็จะทำ เพราะเขาไม่สบายใจคือกะว่าจะเอาน้องออกอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าเมื่อมารู้อย่างนี้แล้วอ่ะตัวใหญ่แล้วออกไมได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วก็อย่างไปทําก็คือเด็กก็สมบูรณ์แข็งแรงอ่ะไม่มีอะไรที่ผิดพลาดทางโรงพยาบาลเขาก็ยอมแน่นอนที่จะไปปรปึก ษ, ษาปาัญหาครอบครัวตอนเนี้ยก็ได้แต่อธิษฐานว่าคงจะไม่เป็นอะไรมั้งจนวันที่น้องอคลอด มันใกล้วันที่คลอดเข้าไปเรื่อยๆคุณเกศบอกว่าหมอนักวันที่เทเลปไปแทขกรู้ไหมวันที่ย <22. 24. S 2> ี่สิบสองพฤษภาเป็นวันคลอดเออเอออุณเกศบอกใจแป้วเลยอะ่ะ<อ>ใจแป๊วแล้วไปหาพระแบบทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้หนูแบบว่าไม่ใช่อะ่ะหนูไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนนี้ไม่ต้องให้เขามาเกิดหนู<ข>หนูกลัวแล้วตอนนี้หนูกลัวแล้ว<ข>ก็ไปหาพระที่จริงๆอืออยู่กรุงเทพนี่แหละรครับ จริงๆนะคุณพระค่อนข้างจะมีชื่อเสียงใหญ่โตเลยแล้วท่านก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สวดมนต์สวดพรแล้วก็จะหาวิธีช่วยอีกทางหนึ่ง<อ>ที่จะให้ผิดไปจากที่เขาต้องการเท่านิดหน่อยครหากเพย์ความต้องการของเขานหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้มันตรงออืปรากฏว่าหมอรัตวันยี่สิบสองยังไงหมอยืนยันยีิบสองแน่อนอนแต่บุญยังดีบุญช่วยครับน้องเกิดวันที่หนึ่งจริงค่ะอ้าเกิดวันเดียวกับผมเลยเกิดก่อน ใช่เกิดการกำหนดแต่ก็คือไม่กี่วันเองครับเขาก็บอกว่าโชคดีไปอืมทีนี้เนี่ยคิดว่าโอเคและววันที่22กิ้งห่านก็ไม่ใช่นะแต่เป็นวันที่หนึ่งก็มีความสบายใจขึ้นมาสักหกเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์แหลแต่ความสบายใจนั้นก็หมดไปเมื่อน้องเริ่มโตออพอเริ่มที่จะเดินได้เริ่มที่จะขอเคียร์กับแม่ได้เขาบอกว่าน้องเนี่ยใช้วิธีการปกติในการแสงความรักกับแม่เป็นยังไงนะ ใครมีลูกก็จะรู้อยู่แต่นี่คือจะดึงหน้าไปจูบดึงหน้าไปจูบจูบแล้วพยายามจูบมากกว่าเด็กที่เด็กมันควรจะทําได้อะแค่ไหนแค่นั้นแต่เราไม่ใช่อ่ะออจนเขารู้สึกกลัวลูกตัวเองและถ้าเกิดว่าพ่อเขามาเมื่อไหร่ะจะนั่งกลางจะร้องแต่วัยจะไม่ให้เขาใกล้แล้วป่วยบ่อยเฮ้ยที่สําคัญพอน้องเพิ่มเดินเดินท่าเดียวกันกับคุณโอเพราะว่าคุณโอ๋ขาเจ็บอยู่ข้างนึง เดนกระเปิ ก, กะเปิ ก, กะเปิดโดยที่เด็กคนเนี้ไอ้ทะเลและขาไม่ได้เป็นไรด้วยเฮ้ยเราแบบกลัวไปหมดอะ่ะตอนนั้นกลัวแล้วจิตตกกันหูลูกก็ลูก อ, ะอ่ะแต่คือเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นงไงป๊าคืนนี้เขาไม่ใส่ประคําอืำเก๋ไม่ใส่ประคำน ะ, ะเอางัาน้นเหรอก็ลองดูสิถ้าโอมันยังอยู่มันต้องมาคยุยเก๋ได้ปรากฏว่าไม่ใส่ประคํำคืนนั้นก่อนนอนคุณเก๋บอกว่า ถ้าเห็นว่ามีอะไรที่ปกติให้รีบออกประคำของเลยนะออืแฟนเขานั่งจ้องเลยนะจากที่ไม่เคยเชื่อลูกยังเชื่อเนี่ยตั้งแต่ที่บอกว่าท้าแล้วไปหาในฝันนะเชื่อขึ้นมาแล้วก็ทุกวันเนี่ยคือแบบคุณอะไรต้องทำตามอ่ะอือีประคำนั่งรอเลยดูเมียตัวเองหลับครับคุณโอมาจริงๆมาเสร็จแล้วก็มายิ้มยอะเลยอือเก๋ถังคําแรกโอ้ทําอะไรลูกเก๋เขาบอกแล้วไง ถ้าอยู่าฐานะนี้ไม่ได้ก็ต้องอยู่าฐานะอื่นเสร็นแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทําอะไรลูกเก๋เขาหัวเราะเขาไม่ตอบเขาเพียงกันใหญ่โตเลยส่วนแฟงเขาเห็นว่าคุณเก๋นอนดิน้นก็เลยประคําของครับประคําของคุณเก๋เขเด้งขึ้นมานั่งแนละ้วบอกเป็นเรื่องจริงออืเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยด้วยครับก็เลยไปปรึกษาพระอีกว่าจะทํำยังไงดีออืท่านเลยถามว่าเคยมีสัญญาใจอะไรกันไหมเฉยๆจําไม่ได้อ่ะเด็กด้วยไม่รู้เราพูดอะไรกันบ้างเปล่า ก็เอานี้ทําพิธีตัดอืมพิธีตัดเลยก็จะมีการเอารูปเอาอะไรมาทําพิธีบอกกล่าวกับฟาดินแล้วก็ถึงเวลาก็ฉีกรูปรตะมุนเคลื่นอนชิดเมื่อคือเอาทิ้งหมดอืมถ้าเราไม่สบายใจตัดรูปเอารูปเราออกของเขาจะทิ้งทิ้งหมดเลยไม่ต้องให้เหลือเยอะใหญ่เลยเท่นิดเดียวแล้วปรากฏว่าทำอพอทําเสร็จรปุ๊บเนี่ยตอนที่เอาน้ําลงไปกลวนที่ เนินดินข้างล่างมันจะเป็นช่องเล็กๆมีต้นไม้คือวัดในกรุงเทพอะเนาะเขาก็จะไม่ค่อยมีพื้ที่ในการปลูกจำไม้เท่าไหร่เพราะมีต้นไม้ต็นใหญ่ต้นนึ่งจะขึ้นอยู่เขาคอบกําแพงเียกําแพงเขาเอาน้ําลงไปรดต้นนั้นซึ่งมันเป็นมุมอับปิดแอคแต่ลมกระโชกมหาเฉยเลยออืจนนั่งอยู่ในตัวเองเลยอะแล้วก็เดินผ่านกับปุ๊บพลังจะเดินขึ้นบนภูฏีดานวนไม่ชี้ที่ยืนทำไมแถวนั้นขันเขาบอกเราไม่เคยทำบุญให้เขาเลยใช่ไหมเนี่ยครับ คุณเก๋หันไปมองหน้าเหมือนงงๆแต่ว่าพูดอะไรไม่ออกแล้วก็ได้แต่ตอบว่าค่ะแต่ก็เดินขึ้นมากุฏิด้านบนไปหาหลวงพ่อเหมือนเดิมออืขึ้นไปจอหลวง่อถามบอกมีสัญญาณอะไรบ้างไหมลมเริ่มกระโชกอะไรบ้างไหมบอกมีค่ะตัวเอเลยอ่ะแสดงว่าเขารับรู้แหละบอกเขาต้องไปครับก็เลยมาจับสังเกตลูกตัวเองตั้งแต่นั้นลูกไม่ป่วยบ่อยเดินไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ค่อยมาขอเคียร์แล้วเป็นเด็กที่เป็นเด็กจริงๆอ อแล้วก็หายไปนานจนวันหนึ่งเผลอถอดประคำอีกคือเราวอ น, นานๆเข้าอ่ะเรื่องจบแล้วมั้งมาเข้าฝันมายิ้มออืแล้วก็เหมือนเดิมเป็นเด็กเหมือนเดิมที่ยังรักชอบกัเหมือนเดิมอแต่ไม่พูดเรื่องผู้นี้เลยะไม่พูดทํำงงผู้นี้เลยทุกอย่างเลยไม่พูดถึงในเกล่าวถึงครับจนจนที่วันที่เขามาเข้าฝันออืแล้วเขาประมาณว่าโอจะไปแล้วนะออื ข้อความที่เขาเร่งขึ้นมาในเครื่องของผมหรือข้อความที่เขาเร่งไปหาคุณเก๋เองเนะี่ยคือทุกอย่างแนมะ้กระทั่งความฝันเนะี่ยเขาเพียงต้องการให้ผมเนะ่ะให้คุณเก๋เนี่ยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ผมฟังมาให้ผมเนะี่ยมาพูดถึงความรักที่เขามีต่อคุณเก๋โอ้ยมันเพราะว่าเสียงผู้ชายคนที่พูดกับผมว่ามันไม่ดีนะคุณเก๋บอกว่าตอนนี้เก๋อยู่บ้านคนเดียวอืมเหร อ, ค, อคุณเก๋เลยเสียวฉานหลังเลยแล้ววันนะั้นมันเกิดปรากฏการณ์ขึ้นนี้พี่แจ๊ พอผมเล่าเรื่องผีไอ้คุณเก๋เล่าเรื่องผีผมฟังอยู่เรื่องนี้นเรื่องคุณโหเนี่ยกระเป๋าของคุณเก๋ที่ตั้งอยู่ข้างบนอะ่ะมันพลิกตกลงมาเองแล้วกุญแจรถเขาก็เด็นออกมาวันนั้นคุณเก๋ไม่ได้ไปทํางานทั้งวันยึงมีโอกาสคุยกับผมครับเพราะกุญแจรถหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนออืใครคุณเก๋บอกว่าเมื่อคืนเอากุญแจรถไปแล้วก็ไปไข่รถเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาวางไว้ที่ข้างล่างเอาข้างล่างไม่เดขึ้นมานะ แต่ปรากฏว่ากุญแจ ร, รถหายไปไหนหาไม่เจอหากันในบ้านจนคุณเกศไม่ได้ไปทํางานอแล้วมีเวลามาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังแต่พอในขณะที่กำลังเล่ากับผมอยู่เนี่ยกระเป๋าหล่นปุ๊บลงมาแล้วกุญแจกระเด็นออกมาบอประมาณว่าอ่ะเล่าจบแล้วกุญแจขึ้นไปเอย้ยโอ้โหนี่เขามีแม้กระทั่งข้อความไลน์ที่เขาหากับคนในบ้านทั้งทั้งบ้านน่ะเขาส่งข้อความไลน์ให้ผมดูว่าเนี่ยเี่ยวันเนี้ยเฉหากุญแจทั้งวันเลยเนี่ยที่ยิงดูอืมและที่สําคัญ กระเป๋าวะมันเป็นของเก๋ครับแฟนเก๋ไม่เคยยุ่งครับไม่เคยแตะอยู่กันมากระเป๋าเนี้ยเขาไม่เคยแตะเขาจะกุญแจไปใส่ในกระเป๋าคุณเก็ไปไม่ได้ครับเขาบอกเขาเอาไว้ข้างล่างเขาไม่ได้ง่วงไม่ได้เมาไม่ได้ดังนั้นออืเอาไว้ข้างล่างแล้วก็เลยที่มานนอนเฉยออืแล้วจะมีใครที่หยิบกุญแจไปใส่ในกระเป๋าคุณเก๋เป็นไปไม่ได้แล้วกระเป๋าเนี้ยในขณะที่ดั่งเล่าเรื่องกับผมเนี้ยมันอยู่เฉยเฉยนะมันจะล้มลงมาเองเป็นไปไม่ได้ครับล้มลงมาแล้วกุญแจอย่างเดียวโดยที่กระเด็นออกมาจากกระเป๋าอือม ฮะเรื่นี้ผมก็ได้ขายทอดให้แล้วนะครับโอ้อเอมเท่าที่ฟังมานะผมไม่รู้สิคุณคิงคุณผู้ฟังไม่เหมือนความรักอะ่ะคือจะบอกว่ามันมันเป็นการแสดงความรักที่ที่ผิดอะ่ะเออวันพู้แย่แต่ทคือ ผมฟังตอนนี้ถามว่าเป็นเรื่องที่เขาทําให้หน่ากลัวไหม mm. เราอ่ะไม่ได้อยู่สถานการณ์นะเราไม่เราไม่รู้สึกกลัวหรอกเพราะ mm. เรื่นี้เป็นเรื่องที่แบบว่าออกไปทางแนวของที่ผู้ชายคนหนึ่งต้องการแสดงความรักมากกว่าออออืื mm. mm. ที่ยึดติดที่ผูกพันอันเนี้ยนะออื mm. แต่ว่าเราถ้าเราเอาใจเราไปใส่แทนเขาว่าเราเจอกต่เรื่องที่มันเวียนๆอยู่อย่างนี้ยอ mm. เราจะเป็นยังไงออื mm. Mm. ถ้าอันแรกอ่ะถ้าฟังนะมันก็เหมือนเหมือนความรักเหมือนยังตัดกันไม่ขาดอะแต่ไ ป, ไป ม, า <บ S 1> มาเนี่ยมันกลายเป็นว่าความรักของเขาเนี่ยเขาแสดงออกมาแบบผิดๆอะ่ะ <บ S 1> เออมันไม่ใช่เป็นการแสดงความรักอันนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงความทุนะฮะผมผมผมไม่รู้ติผมใช้คําแรงไปหรือเปล่ามันแสดงความเห็นแก่ตัวไม่รู้ น, นะนันก็นเป็ ม, ม, มุมที่<น>ที่เรามอางจากมุมกว้างนะทีแต่บาคนที่เขาหลงอยู่ในความรักเนี่ยเขาจะมองอะไรนี่ออกหรอก นี่แหละอย่างที่เขาบอกว่าความรักนะมันทำให้คนตาบอดทำให้คนมองถูกเป็นผิดมองผิดเป็นถูกมองหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดเลยอ่ะคืออืถ้าเขารู้ว่าตัวเองไม่ไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปขัดขวางครอบครัวความรักและที่สาคัญคือเด็กอ่ะเด็กไม่เกี่ยวข้องเลย คืออาจจะไม่ใช่ตัวเขาที่ที่ที่มาเกิดถ้าเรามองในแง่มุมของความลี้ลับนะเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาที่มาเกิดแต่เขากําลังพยายามจะครอบงําหรือทําอะไรบางอย่างกับเด็กคนเนี้ยเพื่อเพื่อแก้แค้นอะ่ะเออเท่าที่ฟังเรื่องที่ที่คุณเก๋เล่าให้ฟังนะครับแบบแต่ผมบอกผมไม่พิภาควิจารณ์อะไรเยอะดีกว่าเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นเรื่องลึกๆเรื่องในครอบครัวเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมมองในแง่มุมของผมแต่ทั้งหมดเลยเนี่ย คุณเก๋โชคดีแล้วครับที่ที่ผ่านจากจุดนั้นมาได้ครับเออแล้วก็ผมเชื่อว่าตัวของเขานะครับอันเนี้ยพี่แจ๊คพี่แจ๊คครับพี่แจอืมในขณะนี้ยนะอือผมดูพี่แจ๊คอยู่ใช่ไห ม, มผมพูดกับพี่แจ๊คไปเนี่ยแล้วอีกเครื่องหนึ่งผมก็เปิดเปิดพี่แจ๊คอยู่อืมของพี่แจ๊คหน้าจอหมุนน่ะแต่คอมเมนต์ทาไมมันขึ้นมาเรื่อยๆอะห น, น้าจอหมุนแสดงว่ามันตัดหรือเปล่าน้อไม่ไม เป็นหน้าทีู่่แต่หมุนแบบเน็ตไม่ไปแต่คอมเมนต์ขึ้นเรื่อยๆอ่างไม่ต้องแชท อ, อ่ะไอ้ไอ้ไอ้ไ อ, อ้ตัวแชทเนี่ยมันอาจจะใช้เน็ตไม่เยอะคุณคิงอาจจะเป็นอย่างนั้นอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นวิดีโออ่ะค่อนข้างที่จะใช้เน็ตเยอะพอสมควรมันอาจจะลดสปีดลงอะไรอย่างเงี้ยเอให้สบายใจกัน<อ>ไปจะเป็นอย่างนั้นกันเอาให้มันสบายใจน่ะนะครับแต่เฮ้ยคุณคิงคุณ คุณยังคงเหมือนเดิมนะเวลาเอาเรื่องของใครมาเล่าอะ่ะเรียบเรียงเรื่องมาได้ดีสนุกอะ่ะคุณครับโอ้สนุกฟังแล้วมันเพลินฟังแล้วมันแบบโหมันมันเข้าถึงอารมณ์ของคุณเก๋ที่ที่ต้องผ่านอะไรมาเออที่ต้องผ่านอะไรมานะครับทั้งหมดเลยอะ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมกรรมใดใครก่อใครทําอะไรไว้ มันก็ต้องมีผลที่ตามมาไม่ว่าจะพบนี้หรือว่าพบไหนหรือโลกนี้หรืออีกโลกหนึ่งที่เราเชื่อกันว่าเป็นโลกของวิญญาณ น, นะครับโ อ, อนะฮะมันมันทำให้มันไอ ก, กลงร้อเนี่ยมันก็ยังหมุนอยู่อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราไม่รู้หรอกนะครับว่าตัวของคนคนที่ชื่อคุณโอที่เขาเสียไปเนี่ยเขาจะไปไปไปพบไปเจออะไรหรือจะต้องไปไปทำอะไรยังไง ไม่หก ค, ครับถึงไม่บอกว่าพรพุทธเจ้าท<ม>่านบอกอแล้ว่าที่ทสุดแล้วเราบอกว่าความรักคือที่สุดใช่ไหมใคร บ, ใบอกว่ารักเป็นใช่ไห ม, มก็เหมือนกับที่พระองค์ทรงบอกว่าไปจะกลับเป็นไม่เป็นยังไงมันก็ลอยอยู่นี่อืมอืมครับเอออ้าวนะฮะคือการจะรักหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราต้องยืนพื้นยืนอยู่บนฐานของความเป็นจริงด้วยเราต้องรู้นะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าใจมันก่อน ไม่ว่าจะรักเข้าใจความรักก่อนไม่ว่าจะทํางานเข้าใจงานที่เราทําก่อนวิธีการคิดง่ายๆเลยทั้งหมดเลยมันอยู่ที่ทัศนคติและจิตสํานึกของแต่ละคนเออนะฮะทุกคนมีความคิดที่จะแยกแยะผิชอบแค่ดีแต่ผมเชื่อว่าในอารมณ์ของอย่างอย่างเรื่องของคุณโอเนะนะครัเท่าที่ผมมองผมมองว่าหนึ่งถ้ามองเรื่องความรักของเขาความคิดตรงมั่นคงเนี่ย ผู้ชายคนนี้ใช้ได้เลยนะอืมแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่เขาทนะําเนี่ยช่วงแรกๆไม่มีอะไรมาเขา้าขันใเนเซตแต่ที่ทำกับเด็กเนะี่ยครับอันนี้ผมก็มองว่าเด็กน่ะไม่รู้เรื่องถูกต้องอืมแต่ถ้ามองให้ดุสบุตรนั้นสำหรับคนปฏิบัติจะมองว่าถ้าไม่มีกรรมต่อกันจะเชื่อมโยงกันไม่ได้ครับแต่จะเป็นกรรมระยะสั้นๆไงฮะถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ความคิด ของของแต่ละคนนะครับว่าจะคิดกันได้มากน้อยขนาดไหนเรื่องพวกนี้นะครับถือว่าเอาให้เรื่องนี้มาเอามาให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องของความบันเทิงฟังเพื่อความตื่นเต้นฟังเพื่อให้มีอรรถรสในเรื่องเล่านั้นๆก็แล้วกันใช่ครับคุณเกเองเขาเหมือนกับเขาได้ทําหน้าที่ครั้งสุดท้ายส่งคุณโอ๋ไปนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรไปมากหว่าน้วเขาถึงได้บอกว่าพูดชื่อจริงได้เลยพูดอะไรได้เลยสุนทรภัณฑ์ที่เนี่ย ก็น่าจะเว้นไว้บ้างอะไรเงี้ยแต่ชื่อเนี่ยสำหรับชื่อคนพูดได้หมดครับาาอืนะฮะอ่าได้ครับคุณผู้ฟังคุณคิงขอบคุณมากมคุณคิงที่เอาางยเรื่องนี้มาเล่าพวกเราฟังแล้วก็แต่ละครั้งที่คุณคิงเอามาเล่าเนี่ยโอ้สนุกตื่นเต้นทุกเรื่องครับผนะาาคะได้แล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยคุณคิง นครับแล้วก็อะไรที่ทำอยู่ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานบูญงานนู่นงานนี่งานนั่นก็ขออนุมันาสาธุด้วยนะคุณคิงนะสาธุด้วยครับครับผมครับผมคุณคิงยังไงขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากครับพี่แจคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซ b s c r i b e c h anel the ghost radio official กันด้วยนะครับ ฮ่มฮึ